สวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องพ่อผู้ไม่เชื่อในเรื่องผีเรื่องจริงที่แม่เล่าให้ผมฟังก่อนผมเกิดมาประมาณ6ปีเธอจาไม่ผิดคงเป็นปี 2,500 พ่อกับแม่เป็นชาวนาอยู่อำเภอปัญจคีรีจังหวัดขอนแก่นพ่อเป็นคนขยันทำมาหากินมากคนสมัยก่อนนิยมเผาป่าถางป่า เพื่อปรับพื้นที่ป่าให้เป็นที่ทำไร่ทำนาหรือทำสวนใครขยันจับจองบุกเปิดป่าก็จะได้ที่ทำกินมากตามที่ที่เป็นป่าเขาสมัยก่อนมีความเชื่อกันว่าจะมีวิญญาณอาศัยอยู่เชียนต้นไม้ใหญ่จอมปลวกขนาดเล็กและใหญ่ล้วนแต่มีดวงวิญญาณอาศัยอยู่ถ้าใครไปลบลู่หรือไปทำลายที่อยู่ของเขา ยมได้รับการแก้แค้นหรือถูกวิญญาณเหล่านั้นทำร้ายพ่อของผมเองก็เช่นกันแกเป็นคนขยันทุกวันจะเผาป่าถางป่าขุดจอมปลวกฟันต้นไม้ทุกต้นที่ขวางหน้าได้ที่ทำกินหลายสิบไร่วันหนึ่งแกถางป่าไปพบจอมปลวกขนาดใหญ่พอใช้จอบขุดจอมปลวกนั้นทั้งวันดีละจอมปลวกนี มีปลวกเยอะฉันจะขุดแล้วนำตัวปลวกไปให้ไก่กินดีกว่าแถมปรับพื้นที่ได้อีกพ่อแกพูดกับตัวเองแล้วก็ขุดจอมปลวกไปเรื่อยๆตั้งแต่เช้าจะรลดเย็นก็ยังไม่สามารถทำลายจอมปลวกนั้นให้ราบเป็นพื้นเรียบได้ดินแข็งจริงๆปรุ่งนี้คอยมาขุดใหม่ดีกว่าพ่อแกบ่นอีกครั้งแล้วก็หยุดขุดเตรียมตัวกลับบ้าน หลังจากที่พ่ออาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยก็เข้านอนตกดึกแกฝันว่ามีชายร่างกายกำยำผิวดำสูงใหญ่เดินขึ้นมาบนบ้านพี่ตอนกลางวันที่ไปขุดจอมปลวกตรงนั้นมันเป็นบ้านของผมพี่อย่าขุดเลยนะผมกับลูกเมียจะไม่มีบ้านอยู่ชายผิวดำอธิบาย แล้วขอร้องให้พ่อเลิกขุดจอมปลวกผมไม่เชื่อหรอกตรงนั้นเป็นที่ของผมและผมก็ไม่เห็นมีบ้านใครเลยอย่ามาโมเมดีกว่าพ่อตอบอย่างไม่สนใจผมเตือนพี่ดีๆพี่ไม่เชื่อแล้วเราจะเห็นดีกันชายผิวดำพูดอย่างอารมณ์เสียพ่อเล่าต่อว่าในความฝันนั้น พ่อได้ทะเลาะกับชายผิวดำนั้นอย่างรุนแรงถึงขั้นจะเข้ามาทำร้ายพ่อขนาดที่เขาทำท่าจะชกพ่อพ่อบอกว่าเขาก็รีบหยิบดาบที่อยู่ข้างตัวออกมาป้องกันตัวชายผิวดำพั ง, งะเล็กน้อยแล้วกายร่างเป็นสุนัขผิวดำตัวใหญ่แยกเขี้ยวยกเท้าหน้าขู่คำรามเสียงดังแล้วกระโดดลงเรือนไปพ่อพ่อ ตื่นตื่นตื่นเสียงแม่เรียกพ่อพร้อมกับเขย่าตัวให้พ่อตื่นพ่อตื่นขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นและเล่าความฝันให้แม่ฟังแล้วพ่อเชื่อความฝันหรือเปล่าละ่ะพ่อจะเลิกขุดจอมปลวกที่อยู่ทุ่งนานั้นไหมแม่ถามด้วยความเป็นห่วงความฝันก็คือความฝันเป็นจริงไม่ได้หรอกพ่อพูดอย่างคนไม่สนใจ หลายวันต่อมาทุกวันพระขึ้น15บห้าค่ำแม่จะมีอาการปวดที่ตาข้างซ้ายตุบๆยิ่งดึกยิ่งรู้สึกว่าปวดหนักขึ้นเรื่อยๆพอถึงเช้าอาการปวดก็หายไปจะมีอาการอย่างนี้ทุกวันพระขึ้น15บห้าค่ำจนแม่รู้สึกแปลกๆพ่อฉันรู้ว่าทุกวันพระฉันจะปวดตาบ่อยๆเป็นเดือนแล้วพอรู้ไหม แม่เริ่มมีอาการตาพร่ามัวแล้วนะแม่กล่าวกับพ่อเดี๋ยววันนี้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้เขาตรวจดูพ่อรับปากจะพาแม่ไปหาหมอหมอสันนิษฐานว่าดวงตามีอาการนักเสพได้รับฝุ่นเข้าไปมากแล้วจัดยาล้างตาและยาแ ก, ก้เสพมาให้ทานที่บ้านแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นยิ่งทุกวันพระขึ้น15้าค่ำ ประมาณห6โมงเย็นจะเริ่มมีอาการปวดมากขึ้นเป็นลำดับในที่สุดตาแม่ปวดและเริ่มบวมมากขึ้นจนไม่สามารถมองเห็นแล้ววิธีรักษาอีกแบบของชาวบ้านสมัยนั้นก็คือไปหาหมอทมหมอดูและสามารถรักษาคนได้โดยวิธีแผนโบราณหมอทมนั่งหลับตาประมาณ10บนาทีแล้วก็พูดขึ้นว่าสามีของพี่ ไปทำร้ายบ้านของเขาเขามาร้องขอแล้วแต่แกไม่เชื่อเขาจึงกลับมาทำร้ายครั้งแรกเขาก็มาทำร้ายสามีพี่แต่สามีพี่ดวงแข็งและมีของดีคุ้มครองเขาทำร้ายไม่ได้จึงต้องมาทำร้ายภรรยาแทนแล้วเขาก็โกรธมากด้วยเขาบอกว่าต้องทำบ้านให้เขาใหม่แล้วเชิญเขาไปอยู่จึงจะยกโทษให้ด้วยความดื้อรั้นของพ่อ วันในโลกนี้ไม่มีผีผีไม่มีจริงในที่สุดแม่ก็ได้รับความทุกข์ทรมานตาเริ่มบวมมากปวดแสบทรมานหนักหนักเข้าตาแม่บวมได้เท่ากับกำปั้นแล้วเริ่มเนา่าแล้วแตกมีน้ำหนองไหลออกมาเรื่อยๆแม่และพ่อก็พยายามรักษาด้วยการใช้ยาสมุนไพรแบบพื้นบ้านการรักษาแบบพื้นบ้าน ก็ทำให้ตาที่บวมและปวดอย่างรุนแรงของแม่เริ่มหายและแผลที่ตาเริ่มแห้งสนิทแต่ดวงตาของแม่หายไปแล้วก็มองไม่เห็นตั้งแต่บัดนั้นตาของแม่บอดแล้วข้างซ้ายบอดสนิทมองไม่เห็นและแม่ก็พยายามยอมรับกับสภาพให้ได้ว่าเป็นผลของการไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเขายอมมีสิทธิ์เบียดเบียนเราบ้าง และเรื่องนี้เขาเข้าตำราว่าไม่เชื่อก็อย่าลบลูเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ